ท่นานสาทธุชนุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบ ก, กันในเรื่องของท่ า, มามนมโหสดบัณฑิตวันก่อนท่านโนเกวัตได้รับนโยบายไปจากโมโหสดไปลงใบเจ้าจุนนีพรรมทัดในความจริงถ้านจะคิดว่า นโยบายตื้นต้นแบบนี้ไม่น่าจะเชื่อแต่ก็ไม่แน่นักเราดูกันในสมัยปัจจุบันลูกหลานที่รักการนโยบาย ต, ตื้นตื้นที่เราไม่น่าเชื่อก็ยังมีคนเชื่อเราเคยเสียเงินกันไปเป็นสิบสิ บ, สบล้านเป็นร้อยล้านซึ่งถูกคนทพีงไม่กี่คนเขาใช้นามว่าประชาชนต้องการ แต่แน่แทจริงๆประชาชนไม่รู้หนอยเลยด้วยมันเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนทําขึ้นเราก็ให้ความเมตตาปรานีช่วยเงินเขาเป็นลอยๆร้านและในที่สุดเขาจะทําทอะไรเขาก็ไม่ทำอ้าไปกินหมดนี่อุเอหตุการณ์แบบนี้มันตื้นยิ่งกว่าเรื่องเขาโมโหสถคิดเพราะในช่วงระหว่างนั้นคนที่กําลังจะรบกัน เห็นว่าคนภายในแตกกันก็เป็นโอกาส mm hmm. ก็อาจจะเชื่อได้ในประการหนึ่งพระเจ้าจุนนีพรทธทาสเห็นว่ากำลังเขาต้นมาก mm hmm. ก็อาจจะลองดูลีลาของเกวัฒนุเกวัตนดูก็ได้นี่ความโง่ประเภทนี้มันยังไม่หมดไปจากโลกโดยีฉพ่ะอย่างยิ่งมีสมัยหนึ่งเมื่อต้องปู่เป็นเด็กๆ เวลานั้นมีเวลมีความจําเป็นที่ต้องปราบฆ่าสิทธิก็คนในประเทศของเราซึ่งตั้งตนเป็นศัตรูกับทางกฎหมายหลวงปู่ยังไม่ใช้คําว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลตั้งตนเป็นศัตรูกับกฎหมายก็มีท่านข้าราชการเช่นรานากําลังเข้าปราบ พ็ปราบเสร็จแต่มันก็ไม่เรียบร้อยมันาะฉะนั้นว่าคนนี้เกาะกลุ่มอยู่ในจุดวกเขาลูกหนึ่งมีกำลังคนมากกว่าจะปราบเสร็จใช่ความจริงใช้กำลังไม่มากแต่ก็ใช้ปัญญาปราบไปหมดส่วนใหญ่หมดไปน่าเหลือส่วนย่อยบัานี้ป่าวกเขาเป็นป่าก็จริงจะนำกำลังเสริมเข้าไปอีกเพื่อกวาดให้มันเรียบร้อย แต่ด้าว่าผู้บังคับบัญชาสั่งถอนกําลังก็เป็นอันว่าให้ผู้ร้ายกลับเข้ามาตั้งใหม่ซึ่งมีกําลังมากกว่ามีความคิดเห็นเลวเวของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนืออย่างนี้ก็มีถ้าเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็ น, เ ป, นเป็นว่าทําให้คนนี้เขาทางานมาันกิดกายเสียกําลังใจ แต่เราก็ต้องคิดกันไปทีทว่าผู้บังคับบัญชาคนนั้นเป็นใครถ้าเร า, าคิดกันแบบภาษาโง่ๆก็หมายความคนดีเข้าไป็ศัตรูกับกฎหมายที่อยู่บนนั้น เ, นเป็นลูกน้องของผู้บังคับบัญชาเพราว่าผู้บังคับบัญชาเป็นลูกพี่สังง่งอะไรเขาทํางานเองทํางานอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กแต่ก็เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดรายของประเทศ เมือนกับตัวของเราเป็นแผลอยู่ที่ขาแล้วเป็นแผลที่แขนที่มือที่นิ้วก็ตามถึงแม้ว่าแผลนั้นมันจะไม่โตแต่ว่าทำให้ร่างกายเข า, เาอ่อนแอไปได้เพราะการจะเดินการจะทำงานมันก็ไม่สะดวกเพียงแต่น้ำเล็กๆตัมเท้าเราหน่อยเดียวย แ, แล้วเข็มแทงมือเราหน่อยเดียวร่างกายเขาก็อ่อนแอลงไปตั้งเยอะข้อนี้มีประมาณเช่นใด ฉะนั้นขาราชการขั้นผู้บังคับบัญชาเลวประเภทนี้ถ้ายังมีอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ช้าไม่ช้าเราก็หมดความเป็นไทยฉะนั้นขออนุญานลูกหลานที่รักทั้งหลายจงพิจารณาประวัติของบุคคลถ้าบังเอิญเราจะเลือกใครเข้าไปเป็นแทนไปโค้แทนตัวเราเราก็ดูก่อน ว่าในสมัยก่อนๆที่เขาเป็นเข้าไปเนี่ยเขาทำประโยชน์อะไรกห้เราบ้างแล้วก็มองดูฐานะเขาว่าก่อนที่เขาจะเป็นตัวแทนของเราเข้าไปนั่งในสภาเขามีฐานะประเภทใดขนาดไหนเมื่อเข้าไปนั่งในสภาแล้วเขารวยขึ้นไหมถ้ารวยขึ้นแล้วว่าคนนั้นจงอยาคกคบต่อไปไม่ใช่คนดี คุยกันเริ่อต่อไปเป็นนว่าเมื่อท่านโนเกวัตนําทหารเขา้าให้เจ้าวิเทหระเอเพอพระเจ้าจุลนีประมาทเข้าให้จระเข้กินแบบส บ, สบายส่วนที่เหลือก็หนีไปแล้วก็ต้องตายด้วยสันพาวุฒที่ทหารบนเชิงเทินเนตรียมธนูไว้กร้มแล้วเป็นนว่าหลังจากนั้นท่านโนเกวัตก็บอกให้เคลืนลงไปไม่ใคร อันขึ้นไปไหนนะขึ้นลงไปแต่ว่าไม่มีใครลงไปไมายว่าไอ้กองหน้าถูตะแค่กินบ้างถูยิงในรุ่นีิโ น, นูบ้างตายเป็นเถ้าแขวไอ้กองหลังไม่อยากจะลงก็ลอนยนวลบอกสางเอาต้นลงไปตีได้เข้าทางนี้พรานั้นไม่มีใครลงถ้านุเกวัดที่นี่เข้ากราบทูลพระเจ้าจริญนิรมทัฐว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ทหารท่านหลายใจออกหานจากโองค์เสแลพระเจ้าค่ะทหารเหล่านี้ถูกมหมโหสถยุยงให้เข้มให้แข็งขอ้อเป็นขบถต่อพระองค์แม่อนฐานะที่เขาเป็นแม่ทัพนี่ใครคําสั่งพระองค์ขับบัญชาใครคำสั่งแม่ครับโทษมันต้องประหารชีวิตเกณฑ์ดาวกากยังยบอกว่าทหารพวกนี้ไม่ยอมรับคําสั่งสแสดงว่าได้รับเอามิ จ, จมมโหสถ เวลานี้ทหารทั้งหมดเป็นขบถพรโะโอษฐ์แล้วแม้พระราชาร้อยเอ็ดพระโอแม้แต่พระราชาร้อยเอ็ดก็เหมือนกันนั่นแหละเกวัตปรหิตได้รับสินบนจากมโหสถแนี่ยบอกแม้แต่พระราชาร้อยเอด็รราาออดและว่าท่านเกวัตก็ดีได้รับสินบ น, นจากมโหสถ ทุกคนลุนแล้วแต่เป็นพวกกมภ蒿สดทั้งหมดมีแต่ข้าพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ยังจงรักภักดีต่อพระองค์แม่น่าคิดนาคิดแต่หากไม่ทรงเชื่อดังคำที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอพระองค์จงมีพระบรมราชองค์การให้บรราชาทั้งหมดแต่งเครื่องทรงแล้วเชิญเสด็จทอดพระเนตร เครื่องทรงของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นจะปรากฏกรมีชือ่อมโหสถถ้ามโหสถด้จารึกนามของพระองค์เขาตนไว้แล้วนำขึ้นถวายกับพระราชาเหล่านั้นนี่ถูกกลสซะแล้วเป็นอนาไรถูกกลทซะแล้วอิตาเกวะแก่คงย่องย่องเอาเครื่องามาให้วันนี้พระเจ้าจุนนีพรมทัตทรงมีพระบรมราชาองค์การ ตามถ้อยคําที่ธนโ น, น, น, นเกวัตกราทพลเมื่อพระราชารอยเอพระองค์แต่งเครื่องทรงมาให้ทอดพระเนตระเจ้าจุนนีก็ทอดพระเนตรเห็นชื่อมโหสถปรากฏที่ราชาพรของพระราชาร้อยเอกพระองค์เอราชาพรคือเครื่องประดับมาเครื่องประดับของราชานีราชาพรอาพรมาเครื่องปรดับเครื่องประดับของราชาเครื่องแ ต, ต่งตัว ราชาพวนั้นหลายเหล่านี้ที่ฉลองกษัติและก็พระขันทองทมมาลาทมาลากระบอกซึ่งมโหสถด้จารกชื่อของตนไว้แล้วก็ตั้งสตยาดิถานคอยชื่อนั้นปรากฏใช่ไหมเมื่อต้องการให้ปรากฏแล้วก็มอบแก่ทูตทหารที่ไปประจำตำเริงต่างๆ ร้อยหนึ่งขนนันร้อยหนึเมืองก็อิเนะี่ยหัวเมือตงต่างๆให้นำประวัตพระราชาใ น, น, า น, นเมือ ง, องนั้นๆชื่อเข้มโหสุดในปรากฏขึ่มข้างนี้พระแรงอธิษฐานบารมีโอ้โ ห, โหลูกหลานจะเชื่อได้ไหมว่าไอการอธิฐานมันเป็นเช่นนั้นได้อย่างที่เขาเสกคาถาคมกันต่า ง, างสมัยหนึ่งเขามีอยู่ท้าเฉย โดยไม่มีการเขียนเลขแข็ยันอาจารย์บอกว่าไปบูชาไว้นะถ้าโชคจะดีจะมียันเป็นเส้นทองขึ้นมาแล้ปรากฏมีหลายคนเอาไปเก็บไว้ในที่ดีแล้วก็บูชาปรากฏภายในไมญชาก็มียันเป็นสีทองปรากฏอ่านได้ชัดนี่คำปฏิฐานก็ตั้งใจจริงและความดีบารมีที่สร้างไว้ก็ทำได้ ของเหล่านี้ทำได้โลหลานที่รักมันเป็นเรื่องตึ่งทีใช้สมาธิจิตไม่ใช่เอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้นะนี่มันเรื่องจิตวิทยาเขาทำกันได้เยอะข น, นาดที่เขาผ้าผูกตามิชิดแล้วก็สามารถจะเห็นอะไรได้เขามีทมไปนี่มันยิ่งกว่านี้อีก พระเจ้าจุลนีไม่ได้ทาาอดพระเนตรเห็นอักษรจารึกชื่อมโหสถปรากฏในราชาพรานคือเครื่องแต่งกายของราชาทั้งร้อยเอกนครชินนั้นก็แนบพระไทยว่าพระราชาเหล่านี้ได้รับสินบนจากมโหสถคิดทรยศต่อพระองค์ทรงกลัวต่อความตายคือมรณภัณณาายอันมาถึงกับพระ อ, องค์เพราะว่าพระองค์คนเดียวเท่านั้นเขาแค่ร้อยเอกพระองค์ แต่ถ้าหายเข า, าเก็มาโดยทั้งร้อยเอ็ดเมืองนี้มันแย่ยนะ่ะก็ไปนนั้นว่าคนทุกคนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนเขาโหส ด, มดหมดหมายมะจนถึงเกลเอันตรายจะมาถึงกระองค์อย่างยิ่งจึงรับสามเท้โนเกวัตว่านุกเกวัตนี่คราวนี้เราจะถวยคนคนจะทำแบบใดดีล่ะถ้าไม่ได้เรื่องเสแล้วที่ไอ้พวกนี้ไปรับชิ้นบน กันโมโหสุดแล้วไม่ช้ามันย่องยองข้าเราก็ตายเราคนเดียวถ้านุเกวะจิงกล่าวทุนว่าขอเดชะพอทนทานแล้วพระเจ้าค่ะทางที่ดีที่สุดขอพระองค์รีบขึ้นมาหนีไปซิก่อนเถิดอย่ารอให้ทหารขันโมโหสุดจับองค์ได้เลยพระเจ้าค่ะน่าเก่งมากเก่งมาก พระเจ้าจุนันี้อิจิเนศตระตื้อสมตัดว่าท่าอย่างนั้นถ้านุเกวัตช่วยผูกม้าที่นั่งเราไว้ไว้ด้วยนะท่านุเกวัตจึงเตรียมผูกมา้าพอดีนั่งผูกอย่างมีเงื่อนงำเอาที่แล้วดีไหมไอ้คาว่ามีเงื่อนงำนี่หมายความมีเลขใ น, นอาชีพอันตรายทันานคือถ้ารั้งให้หยุดม้าก็สําคัญว่าจะให้วิ่ง ยิ่งรั้งมากก็ยิ่งหมาจิงาจ้งหลักใช่ไหมให้ไปอย่างนั้น <c oughs> แามมานามมาทชชนที่ว่างให้หยุดตามวิธีเดิมม้าจะหยุดถ้าขยับบังคับให้วิ่งม้าม้าจะหยุดนี่เขาทำงานแล้วก็นําม้าไปนั่งมาถวายพระเจ้าจุลนีในเวลามาชิมยามเพื่อกลางคืนให้กราบผู้ในรงรีนิสิตเสด็จเสด็จนี้ไปมิฉชนั้นพระราชาทานอิพนคนคร จะนำกำลังเขาตนเข้ารหัสประหารพระเจ้าเจ้าหนีสมมาทัตที่ท่ากล้าท่านท่านกล้าตัดสินใจคิดว่าเขาจะมีอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าท่านไปตีเข้ามาใหม่ๆเขาต้องตกเปนเมืองขึ้นของท่านในเมื่อมโหสถวางแผนถ้าบอกว่าเราทั้งหลายทั้งหมดรวมกันข้าพระเจ้าจรลนีสรมทัตเสร็จแล้วทุกท่านแต่ทุกประเทศก็จะไปอิสรภาพตามเดิม คนเขาเคยใหญ่ยอยู่แล้วามาเป็นลูกน้องมันก็เป็นของยากพระเจ้นาจุลนีอยู่ในทรงขึ้นมาโคบมาแต่เบิ่งไปทันทีอนุกเกวัก็ขึ้นมาทำเป็นขี่โคบตามสนิดไปได้หน่อยหนึ่งเขาขลับกษราชาคือพระเจ้นาจุลนีประมาทัา์เมื่อทรงเห็นว่าโคบม้ามากลาพอสมควรจะร้งมาให้หยุดมาก็วิ่งเร็วหนักขึ้น เมนุกแกวัดกลับเข้าไปในกองทัพตะโกนว่าข้าราชายพระเจ้าจุล น, นีสมรทัศน์สลกหนีไปแล้วเอาแล้วนี่เป็นลูกไม้ที่ไม่หนักนักอย่างที่พวเราที่ถูกเขาหลอกมามา เ, าเร็วๆไปแบบนี้แหละเชื่อกัไง่ายๆเขาบอกว่าชาชนยเอาอย่างนั้นประชาชนอยอา่างนี้ให้ประชาชนสองสามคนเลยมันจะเอา แต่ว่าประชาชนสี่สิบล้านคนไม่รู้เรื่องเลยทำสะ บ, บ้านเมืองเกือบจะพังแลาคนที่มีอำนาจบริหารประเทศก็เหมือนกันใครมันจะเผาบ้านเผาช่องเผาตึกเผารามทำลายราคารสถานที่ไม่ผิดกฎหมายนั่งดูเฉยปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต้องไปเผาบ้านกันด้วย ที่คนประเชศนี้แ ล, ล้วลูหลานที่รักจองอย่าคบจำหน้าจำประวัติมันไว้ถ้าเราจะให้เขาเป็นผู้ปกครองเราบริหารประเทศะก็คนเร็เวๆอย่างนี้ยาวขึ้นไปไม่ใช่เมือมันมก็มันไรคคำว่าประชาชนมันต้องหมายถึงประชาช น, นประเทศเวลานี้ก็ บ, บอกบว่าระบบประชาธิปไตยอำนาจอยู่ที่ปวงชวนชาวไทยทั้งชาติ แต่ความจริงหลายๆอย่างพวกเราไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยผู้ดีเขาไปนั่งเขาวางแผนเพื่อเขาไม่ใช่เพื่อเรามีความจริงประชาธิปไตยของเรานี่ถ้าประเทศไทยของเราวางแบบประชาธิปไตยอย่างทางประเทศทรงตัวไม่ได้มันต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ หลวงปู่เคยคายกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ความจริงท่านเคยาาารายจ่ายของหลวงปู่มาในสมัยที่เป็นครวญ ต, ตอนท้ายระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหลังนี้การนั้นมาไม่ช้าเขาร่างรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ใช้พศ ส, สมั2492ในช่วงระหว่างการร่างความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นปร ะ, าประชาธิปไตยจา๋า คำาอาจารย์นี่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแต่ว่าถ้านอาจารย์ก็หลวงปู่ก็มาคุยฟังหลวงปู่ก็เลยเรียนทว่าท่านอาจารย์เมื่อก่อนนี้อาจารย์นายอาจารย์อาตมาเวลานี้อาตมาขอไปอาจารย์ท่านอาจารย์บ้างเปเองกันไม่ขอตีตัวเสมอแต่ว่าขอสแสดงความเห็นตอนนั้นหลวงปู่หมดสุขแล้ว ท่านถามว่าความเห็นของท่านมีอะไรบอกก็เลยดึงขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับนี้อาตมาหินชอบทุกอย่างว่าครบถ้วนเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีทุกอย่างแต่ว่าจะใช้กับประเทศไทยไม่ได้ท่านถามว่าทําไมเพราะว่า ก, ก็เลยเกลียงเรียนทึานบอกว่าคนไทยถ้าปล่อยเป็นประชาธิปไตยมันก็เลยเถิดไม่มีความพอดี คนไทยก็ย่อมถือแบบการปกครองอย่างที่ชาวโลกเขาตั้งไว้ตามกฎธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสที่ปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติคือนิใครหักปัใครหะใครดีก็ยบย่อสรรเสริญให้รางวันถ้าใครไม่ดีก็ต้องลงโทษกันฉะนั้นถ้าปล่อยคนไทยไป็นประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนี่มันต้องปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ไม่ใช่ว่าประชาชนเป็นใหญ่แเราจะเผาบ้านเผาเมืองใครก็ทําได้ไม่จะทําอะไรก็ทําได้ไม่จะกลายเป็นเมืองกุลียุกไปท่านก็เถียงว่ารัฐธรรมนูนดีบอกกันเลยดิบอกท่านว่ารัฐธรรมนูนดีแต่ไอคนมันยังไม่ดีเท่ารัฐธรรมนูนในที่สุดรัฐธรรมนูนฉบับนั้นออกมาก็เลยดิ้ก็ท่านบอกว่านี่ตรองใชัยเดี๋ยวไม่เกินสองปีพัง ไใ่สุดใช้ไม่ปีกว่าก็พังไม่มีใครจะเอาด้วยก็ปล่อยไปมันก็เลยพอดีไปใหคนมันยังเข้าไม่ถึงมี่อาตราวงปู่มันไปค้านในการรัฐธรรมนูญก็เป็นยังไงแล้วก็ความจริงของคนไทยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าระบอกคนไทยนี่จะต้องปกครองแบบทหารอย่างสมัยก่อนที่เราซุ่มกันมาได้เอาทหารปกครองคน เจ้าเมืองทุกเมืองมีนายทหารทงนั้นเพราะอะไรเราะสมัยการนบเสร็จจะเห็นว่ายางพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ใช่ไหมท่านเป็นนายทหารแ ต, แต่ว่าราชาสมัยนั้นก็ส่งไปเป็นเจ้าเมืองเพราะทหารนี่เขามีระเบียบวินัยถ้าเวลานี้ร้องโผเส้นดได้เวลยืนหนอ ย, อย่ามยืนหน่อยหนึ่ง นั่นคือสมัยจอมพลแปลกท่านทำไว้เนีเหมาะสมระยะนักเรียนตัวเล็กๆให้เป็นลูกเสือมีระเบียบวินัยแบบอ่อนๆพอสาหรับเด็กพอเรียนถึงมัธยมปีที่สามเป็นแล้วจะต้องเป็นโยชนทหารขึ้นปีเป็นโยชนพลาหารต้ อ, อยู่ในระเบียบวินัยพอไว้ถึงชั้นเตรียมก็เป็นโยชนในสิบ พอเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นโยชนนายทหารเป็นอ น, นววาตตั้งแต่เด็กถึงชั้นผู้ใหญ่อยู่ในขอบเขตเขาละเบียบวิ น, นัยคนทุกคนก็มีระเบียบวิ น, นัยถ้ามีระเบียบวิ น, นัยบ้านเมืองมันก็มีความสุขยงการที่คนเราขาดระเบียบวินัยนี่มันปกครองยาก มี่คำว่าบ้านเมืองเราจะต้องมีทหารปกครองก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเอานายทหารจริงๆเข้ามาปกครองก็ได้แต่ว่าให้คนมีระเบียบวินัยอย่างทหารอย่างที่ท่านจอมปลนคนแปลกท่านทำลูกลูกปู่เห็นด้วยเมื่อคนทุกคนมีระเบียบวินยัยในสมัยนั้นก็มีนางสีอยู่หนึ่งสองอย่างคือหนึ่งธรรมจริยาธรรมจริยาก็แนะนําให้สอนประพฤติในความดี สองพลเมืองดีสอนคนที่จะเป็นพลเมืองดีเขาปฏิบัติกันยังไงแล้วก็มีนิทานสุภาษิตสอนแนะนําว่าทําดีได้ผลอย่างนี้ทาทารำชั่วดีผลอย่างนี้แล้วก็มีนิทานอีสอีศแล้วก็แนะนําในการประพุทธปฏิบัติให้ความดีประเภทนี้มันก็ฝังใจมาตั้งแต่นะักเรียนประชันปฐม เมืโตขึ้นไปมาจิตใจเปนฝันอย่างนั้นความดีมันก็ส่งตัวนี่ความวุ่นวายของเขาจะไม่มีต่อมาไม่ทราบว่าหนัเสือทั้งหลายเหล่านี้ถูกเผาไฟแล้วก็ปลวกกินหมดที่ไหนเวลานี้มันไม่มีดูที่ความวุ่นไวายมันเกิดคนดี่เขาบอกว่าเขาดีในเวลาที่เราขึ้นมาเป็นยังไงเด็กเผานนเผานี่ทําลายนนทําลายนี่มันผิดกฎหมายทั้งหมด ถ้าปรากฏว่าไม่มีโทษอะไรเลยแต่ว่าคนใบสกิทข้างเขานิดเดียวเขาฟ้องศาล เ, เห็นไหมยอย่างนี้มันต้องเผาบ้านเขาด้วยเผาที่ริการได้โดยก็ต้องเผาบ้านคนบริหารประเทศได้ด้วยในเมื่อเผาสถานที่ริการไม่มีความผิดก็ไปเผาบ้านคนที่บริหารประเทศดูมันจะมีความผิดไหม ไอ้สถานที่ราชการสมบัติของราชการทั้งหมดมันเป็นสมบัติของพวกเราเรานะลูกหลานที่รักพ่อแม่ก็ดีหนูก็ดีที่ต้องเสียเราเสียก่อนไปเข้าไม่เร้างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นสิ่งของที่เราทั้งหลายคนจะหวงแหนเพราะมันเป็นทรัพย์สินที่พ่อแม่ของเราและตัวเราเองหาได้โดยยากแต่กลับถูกคนอื่นมาทําลายแต่ผู้ที่มีอํานาจกลับไม่ลงโทษอะไร ยางนี้มันต้องลงระชาทันตอานนี้เมื่อทำลายของทรัพย์สมบัติของเราไม่มีโทษเราก็ต้องทำลายเขาบ้างแต่ว่าวิธีทำลายไม่ต้องไปฆ่าเขานะลองง่ายง่ายเอาไฟไปจุดใบเขาดูทีเขาจะโกรธ ถ, ถ้าเขาโกรธก็ถามว่าไอ้ของส่วนกลางที่ฉันเสียภาษีอากรเข้ามาเนี่ย แล้วก็คนเขาทำลายแกไม่ลงโทษแล้วก็จะมาลงโทษฉันได้ยังไงถ้าแกจะลงโทษฉันแกก็ต้องลงโทษตัวแรกก่อนตามกฎหมายเอาอย่างนี้มันก็หมดเรื่องถ้าเข า, ยาแยแฉงคันว่าเขามีอานาจก็ถามว่ามีอำนาจมาจากไหนฉันเลือกแกเข้ามาเนะ่ยให้แกมาทำดีเมื่อแกทำไม่ดีแกจะใช้อานาจเขาแกฉันก็จะต้องใช้อำนาจของฉัน นั่นคือลงประชารันเสียก็หมดเครื่องนี่พูดตามคติที่ควรจะเป็นไปเอาเรามาเล่าเรื่งองต่อไปมันด้เยอะให้ราทำให้รัวนะนี่พูดกันจริงๆว่าไอ้คนที่จะขึ้นมาบริหารประเทศนะตะคนเลวขึ้นมาทำไมเราเสียเ ง, งินให้แล้วก็ทำลายพวกเรามันจะใช้ได้เนะี่ย เล่าเรื่องต่อไปว่ามนุษย์เกวัสกลับเข้าอยู่ในกองทัพก็ตะโกว่าเวลานี้พระเจ้าจุล น, นีสมทัศ์สเสด็จหนีไปแล้วผู้บริุทิที่มโหสถวางไว้ก็ร้องบอกกันต่อต่ อ, ตอไปในแนวที่ห้าเขาเต็มพระราชาร้อยอิชนครและเกวัตบริหิตพร้อมไปะเจ้บรรดาทหารทั้งหลายในกองทัพเขาไม่เจ้าจุล น, นีต่างก็พากันตกใจเอ๊ะไม่ได้การพระราชาโ ห, หน้าไปสแสดงนี่ เราก็ไปบ้าง้วก็เปิดเพื่อเวีญญยนหนีพรบไปรอแล้วพากันหนีตัวรถเป็นอนุวอุมบายการขับไลบ่คาสิกมโหสดทำได้สำเร็จโดยไม่ต้องเสีย เ, ยเลยือดเนื้อทหารเลยใช่ไหมนี่เธอมีปัญญาที่อย่างมันไม่ยากปัญญาของมโหสดสมัยนั้นจะถือว่าล่าสมัย ถ้าเราจะมาใช้หลัดแปลในสมัยนี้มันก็ไม่ยากไอ้มปูเห็นนิดหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่พูดละพูดแล้วคนอื่นก็ทุกข์กันเทียนมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําแต่เขาก็ทํากันไว้อันตรายมันเกิดกับชีวิตเลือดเนื้อศัพท์สิทักด์สิทธของวนพวกเราทั้งหลายแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเรายังไม่มีโอกาสจะพูดกันสักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะพูดถึงเรื่องนั้นก็ได้ เพื่อการแก้ไขไม่ยากการที่นําคนเข้ามาเป็นผู้นํา แ, แต่ละจุดกตะหน่วยมันควรจะเป็นผู้จํานาญในกิจการนั้นๆไม่ใช่เอาตาสีตาสามาเป็นผู้สั่งทั้งนี้หลวงปู่ไม่จะมาที่รัฐบาลมาด้วยงานจุดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยและผลความเสียหายเมือ่อเกิดขึ้นแล้วถ้าจะคิดเป็นเงิน ก็คิดไม่ได้เพราะค่าค่าชีวิตของคนดีราคาไม่ได้คุยกันต่อไปว่าเกวัดเช้ามายลอดเป็นพระเจ้าวิเทียรัชด้วยกรรมมาคุณแน่ตอนนี้เหมาะไมมน่าเซตเป็นนันวัดวันเดือนผ่านไปครบมาหนึ่งปีหลังจากที่กองทัพปัญจาลนาครค่ายแพรเพราะุนอบายเขามาโหสถดพระเจ้าจุนนนีรู้สึก ไม่สบายใจเสียใจที่แพ้รูม้มโหสถก็ไม่ใช่เรื่องการทหารหรือการกินบนดังที่อนุเกวะกลาบพูนความจริงที่แพ้มันได้มารู้ทีหลังพราพระราชาทั้งหลายไม่ได้รับสินบนท่านเกวะก็ไม่ได้รับสินบนแต่ว่าหลักฐานมาแสดงชัดจิงคิดอยากจะแก้แค้นพระเจ้า คิดอยากจะแก้แค้นอยู่ตลอเวลานะ่ะถ้าอยังไงก็นั่งเล่นนั่งจ้องมองโดยลาหรออีกหนึ่งอีกนิดนึงของนาทีเอขอต่อยหน่อยท่านแกวัดบริหิบมองหน้าพระราชาเขาตอดอันมองหน้าเขาตอนที่กระจกเห็นแผลที่หน้าผากทีไรก็รู้สึกเดือดร้อนคล้ายเคลือบหัวสดมาก วันหนึ่งเกวกัตเจ น, น, นิคิดอุมวายได้อย่างหนึง่งจึงเข้าไปทูลพระเจ้าจนุลนีธรมทัตเจอเข้าไปฟาพประมหากษัตริย์และทูลว่ายังไ ง, ล, ล, งลูกหลานที่รักวันนี้คงฟังกันไม่ได้พูดกันไม่ได้เพราะมหมดเวลาเอาไว้ฟังกันในวันต่อไปสรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่ัฒนมงคลสมบูรณ์ผล และกรุงขอจงเจริญไปด้วยจากตัวิรัตพนชายทั้งสีร่รายการมีอายุอ่อนน้าสุขะพระละและปฏิภาณจงมีเดลูกหลานและบรรดาญาจมพุทธบริษัททุกท่านสวัสดี